ผิดหวังเล็กๆน้อยๆแล้วชอบอยากฆ่าตัวตายเป็นเพราะกรรมเก่าหรือไม่ถามผิดหวังเล็กๆน้อยๆแล้วชอบอยากฆ่าตัวตายอย่างเนี้ยแปลว่าชาติก่อนเคยฆ่าตัวตายมาใช่ไหมตอบแต่ไหนแต่ไรมาความอยากตายเป็นจุดยอดแห่งความหดหู่ เมื่อหดหูถึงจุดแห่งความอับตันแล้วก็จะรู้สึกว่าแม้แต่อากาศก็หนักทึบปราศจากตำแหน่งใดๆในโลกที่โปร่งเบาแล้วในที่สุดก็เหมือนจะหายใจไม่ออกไม่อยากหายใจอีกต่อไปถ้าว่าข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตล่าสุดนั้นสาเหตุของการฆ่าตัวตายอันดับหนึ่งได้แก่ความน้อยใจคิดสั้นชั่ววูบอันดับสองได้แก่การทนทรมานกับโรคร้ายไม่ไหว และอันดับ3มได้แก่การสะสมความเครียดกับความอดหูจนเกินกัดฟันฝืนข้อมูลนี้นี่น่าตระนกพอสมควรนะครับเพราะมันแปลว่าสมัยนี้คนเราไม่จำเป็นต้องหดหูหรือเครียดมากก็ฆ่าตัวตายกันง่ายๆแล้วเหมือนนึกว่าคงมีใครชุบชีวิตเราให้ฟื้นคืนได้จะมีอะไรน่าตระนกไปกว่าการที่คนเห็นสิ่งมีค่าที่สุดกลายเป็นสิ่งไร้ค่าที่สุดเล่า ถ้าหาผิดหวังเล็กๆน้อยๆอยแล้วอยากฆ่าตัวตายก่อนอื่นขอให้ทราบว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับแต่กำลังมีบางสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นในสังคมของเราและสิ่งผิดปกตินั้นก็มีความน่ากลัวเกินกว่าพวกเราจะดูได้หรือประมาทไปว่ามันจะไม่มาถึงตัวเราหรือคนที่อยู่รอบตัวเราเรื่องความอยากตายเนี่ย อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องข้ามภพข้ามชาติอะไรเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ควรคิดเรื่องการสั่งสมอารมณ์ผิดๆในปัจจุบันก่อนดีกว่าคนเราจะไม่รู้สึกอ่อนแอไม่อยากหนีโลกแบบปุบปับฉับพลันถ้าหากกำลังมีความสุขล้นปรีถึงแม้ถูกชะตากรรมตบตีบ้างก็คงไม่ถึงขนาดกล้าได้กล้าเสียคิดตัดช่องน้อยแต่พอตัว ทั้งที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าละจากโลกนี้แล้วจะไปอยู่แห่งหนตําบลไหนกันต่อฉะนั้นมันเติมความสุขให้ตัวเองและความสุขที่ไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องลงทุนปลูกสร้างที่ไหนก็คือความสุขจากการรู้ว่าเรายังมีลมหายใจในลมหายใจนี้เรายังมีโอกาสจะทําจิตให้แช่มชื่น มีโอกาสคาดหวังว่าทุกสิ่งรอบตัวจะเหมือนฟ้าหลังฝนยามที่หดหูท้อแท้หรือผิดหวังเหมือนจะทนไม่ไหวให้เตือนตัวเองว่าเอาแล้วมัจจุราชจะมากวักมือเรียกเราผิดเวลาอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่าปล่อยให้ตัวเองเห็นภาพมัจจุราชกวักมือเรียกจนใจยอมโอนอ่อนผ่อนตามให้เติมพลังชีวิตเข้าไปสูดลมหายใจลึกๆครั้งหนึ่ง แล้วตระหนักว่าความมีชีวิตชีวาที่มากับสายลมหายใจนั่นแหละชุดเราออกห่างจากทางมัจจุราชมาอีกครบหนึ่งคนที่หายใจยาวหนึ่งครั้งทุกห้านาทีจะเป็นคนที่มีความแข็งแรงออกมาจากภายในและจะไม่คิดสั้นปัจจุบันทันด่วนง่ายๆขอให้จําหลักการง่ายๆนี้ไว้และไม่ต้องสนใจหาข้ออ้างให้กับความอ่อนแอใดๆ ไม่ต้องคิดว่าเพราะเคยฆ่าตัวตายในชาติก่อนจึงอยากฆ่าตัวตายอีกในชาตินี้หลีกหนีไม่ได้คนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอขอเพียงมีความพยายามในทางที่ถูกต้องหากพยายามเพิ่มพลังชีวิตด้วยการลากลมหายใจยาวๆไม่เป็นผลสาเร็จยังคงมีความอดหูอยู่หรือยังไม่อาจสลัดความคิดน้อยเนื้อต่าใจในหัวทิ้งไปได้ ก็ให้บอกตัวเองว่าไหนๆคิดจะตายแล้วทำไมไม่ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายให้คุ้มใช้อาทิตย์สุดท้ายหรือสามวันสุดท้ายไปในการแต่งจิตแต่งใจให้สว่างขึ้นด้วยการให้ทานไม่ใช่ให้เงินมากๆจนหมดตัวแต่ให้เท่าที่จะให้ได้อย่างสบายใจให้อะไรก็ได้ที่พร้อมจะให้ให้กับใครก็ได้ที่เขาพร้อมจะเอาของเราไปใช้ประโยชน์ การเดินทางตระเวนทำทานจะเหมือนค่อยๆหยอดกระปุกสะสมเหรียญแห่งความสุขวันหนึ่งมันเต็มกระปุกขึ้นมาเราค่อยตายตอนนั้นยังไม่สายแต่ถึงเวลาที่เต็มกระปุกเราจะรู้จักชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งว่าเราสามารถคาดหวังจากตัวเองได้คนเดียวมีเราคนเดียวในโลกที่หวังดีกับตัวเองอย่างแท้จริงทาวอน นอกนั้นแปลใจแปลพักเป็นอื่นได้ทั้งสิ้นทำให้เราผิดหวังเสียใจได้ทั้งสิ้นจุดนั้นเราจะเริ่มมีความแข็งแรงมีพลังความสว่างสวยให้กับตัวเองยืนหยัดด้วยสองขาโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าเหมือนคนพิการเมื่อจะคาดหวังอะไรก็มักไม่ไกลเกินความสุขทางใจที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะวินาทีนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ กล่าวอีกในหนึ่งวิธีคาดหวังจากตัวเองที่ฉลาดนั้นคือคาดหวังว่าจะไม่ปล่อยใจตัวเองให้หดหูไม่ให้คิดมากจนซึมเศร้าเกินฉุดรั้งสารพัดวิธีทำให้จิตแช่มชื่นเป็นล้านทางที่วางแบในโลกรอให้หยิบฉวยแต่เราไม่เคยเอาก็ลองเอามาใช้ดูสอักอันสองอันแล้วจะซึงว่าความคิดขณะจิตเป็นกุศล น, นั้น ไม่อยากทำลายตัวเองแน่นอนครับชาติไหนจะเคยทำมาก่อนหรือเปล่าก็ช่างมันปะไรขอเพียงชาตินี้เรารู้เหตุรู้ผลรู้จักทำตนให้เป็นสุขอย่างง่ายงายก็พออย่าเพลอเชื่อตัวเองว่าไม่มีทางเลี่ยงไม่มีทางสู้ไม่มีทางทนเชื่อลมหายใจที่ยังมีอยู่ของคุณดีกว่าครับตราบใดมันยังมีตราบนั้นคุณทำอะไรได้มากกว่าที่คิดมากนัก หากอยากปักใจเชื่อกันจริงๆว่าอยากตายเพราะเคยฆ่าตัวตายมาก่อนก็ขอให้ทราบข้อมูลจริงบางอย่างไว้คือคนเคยฆ่าตัวตายนั้นมักจำอารมณ์ที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายได้หากจะพลัดจับพลูดได้โอกาสเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบก็จะมีความอ่อนแอทางวิญญาณผูมต้านทานโลกต่ำมาแต่เด็กเจออะไรนิดอะไรหน่อยจะหวนไปสู่อารมณ์อ่อนแอในการต้านทานอยู่ร่ำไป แต่ที่ยากไปกว่านั้นคือคุณจะมีความเข้มแข็งในทางคิดตัดช่องน้อยแต่พอตัวเพราะจำอารมณ์ขณะตัดใจลาโลกได้และรู้สึกดีกับมันพูดง่ายๆว่าอาจใจแข็งขนาดปาดคอตัวเองได้แบบไม่กระพริบตาทั้งที่กำลังมองเงาตัวเองในกระจกอยู่แท้ๆจะต้องปาดคอตัวเองด้วยความเศร้าโศกอีกสักกี่ครั้ง จึงจะสามารถเอาชนะความอ่อนแอทางวิญญาณของตนเองสาเร็จมันต้องมีสักชาติใดชาติหนึ่งเอาเป็นชาตินี้เลยก็เล่ากันยังมีชีวิตอยู่ยังแก้ตัวได้ยังตัดสินใจยกตัวเองออกจากเส้นทางมรณะที่หน้าเหงาหงอยมาสู่เส้นทางแห่งลมหายใจอันยืดยาวเปี่ยมสุขแปลความอ่อนแอให้กลายเป็นความหนักแน่นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นอาจแค่ไม่ถึงหนึ่งในร้อยของชีวิตทั้งหมด คุณจะไม่ต้องย่ำเท้าซ้ำรอยเดิมกลับไปหลงป่าโดยปราศจาเข็มทิศอีกจะไม่เอาเหรอก